ถ้เทียบเคียงเรื่องกิเลสกับเราก็เทียบเหมือนกับแม่เนื้อกับนายพานแม่เนื้อหากินเพลินแล้วนายพานยิงเอายิงออกยิงจนกระทั่งแม่เนื้อตายแม่เนื้อเองยังไม่มีโอกาสที่จะทราบว่ า, าใครเป็นคนยิง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 วิชาที่เรียนเพื่อจะรู้เรื่องของกิเลสนี้ก่อนมีหลายประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแตเพาะผู้ปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงจริงถ่งาสอนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาอันนี้เป็นอาวุธที่ทันสมัยหรือเป็นเครื่องแก้ที่ทันสมัยที่จะปราบกิเลส ต, ตัวทําลายสัตว์โลก ให้รับความทุกข์ความลำบากเรียนว่าตาเกิดนิวัตสาสงสารไม่แล้วไม่เหล่าสถิทแล้วไม่มีต้นมีปลายถ้ามรามีเครื่องแก้แล้วก็เป็นอันว่าอนันตการหาเร่เวลาไม่ได้การแก้กินในการเรียนรู้เรื่องใดก็ตามก็ไม่ยากไม่ลำบากเหมือนการเรียนในรู้เรื่องของตัวเอง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 กิจมันแสดงอาการแงงอนต่างๆเนแนๆตั้งแต่กลมายาของกิเลสที่พาให้แสดงทั้งนั้นตามธรมรมดาของกินและจะมีตั้งแต่ความรู้ล้วนๆแสดงอาการพลิกแปลงแปลงไปต่างๆในแง่ดีแง่ร้ายอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกจากกิจและมีอันหนึ่งเป็นเครื่องหนุนเป็นเครื่องผลักดันออกมาให้คลิกให้ปรุงให้พูดให้ทําเช่นนั้น ทานูตั้งหน้าปฏิบัติจริงๆเช่นนักบวชมีเวลาโดยเฉพาะกับงานอันเดียวเราคิดสว่าสะดวกมากกว่าคารวาอยู่พอสมควรอย่างนี้หากจะตั้งหน้าตั้งตาเพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดจริงๆตามหน้าที่ของตนนัะเพศของตนซึ่งบอกไว้แล้วว่าเพศนักบวชแต่ไม่มิไม่ว่าใครมันก็พ้นอำนาจของความขี้เกียจอ่อนแอไปไม่ได้ แนวลบไปแล้วยังเป็นนอนหลับคลอกคลอดอยู่ในแนวลบให้กิเลสมันยิงเอายิงเอามี่เปนนวนมากพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีความตื่นเนื้อตื่นตัวมีความขยันหมั่นเพียรสถานที่ใดที่จะเป็นเครื่องดักชั้นดานกิเลสซึ่งถือว่าเป็นตนกอสอนให้ไปอยู่สถานที่เช่นนั้นนี่ได้เคยเห็นผลมาตามกําลังประจักใจด้วย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 เมื่อเป็นเช่นนั้นก่อแสดงว่าไม่มีที่พึ่งใดแล้วสําหรับภายนอกทางด้านวัตถุนอกจากนามธรรมคือใจกับธรรมจะเป็นพุทโธธมโอสังโฆอะไรก็แล้วแต่ตามขั้นของจิตที่พิจรารณาถ้าเป็นขั้นสูงยิ่งกว่านั้นคําว่าพุทโธธรรมโอสังโฆ ก, ก็เปลี่ยนเข้าไปเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะมีความรู้สึกอยู่กับตัวเองซึ่งเป็นพุทโธอันหนึ่งเหมือนกันหรือเป็นธรรมอันหนึ่ง อยู่ในนั้นไม่ยอมเผอจิต ท, ที่มีสติจิต ท, ที่มีสิ่งแวดล้อมน่ากลัวเข้าเกี่ยวข้องย่อมเป็นจิต ท, ที่ตั้งตัวได้ดีเป็นจิต ท, ที่ะ ร, ระมัดระวังควา ม, มาระมัดระวังเป็นเรื่องของสติระมัด ร, ระวังอันนี้ไม่ใช่ระมัด ร, ระวังเพื่อจะแผ่นหนีไปไหนระมัด ร, ระวังเพื่อรักษา จ, จิตใจไม่เห้เพื่อนคลาดออกจากหลักธรรมซึ่งจะทําให้เสียหลักไปได้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 หาสุกเย็นใจนี่เพียงเท่านี้ก็เห็นผลของการอยู่ในสถานที่เราต้องการและเป็นไปตามความประสงค์ของเราแท้กลางวันก็ตามกลางคืนก็ตามจิตตั้งตัวอยู่เสมอไม่ละความเพียรก็แสดงว่าเป็นจบำรงถูกจิตถูกบำรุงอยู่เสมอด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียนเป็นเครื่องลุ่มหลัง แค่ไม่หมายอะไรทั้งนั้นเกิยรตหมรดในเวลาเช่นั้นบางทีทําท่าจะเป็นพระรหัสน้อยๆขึ้นมาก็มีแต่ก็ทราบว่าทําท่าไม่ใช่เป็นพระรหัสน้อยๆขึ้นมาจริงๆคือสงบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความรู้ล้นวนความรู้ล้นวนนั่นกับเป็นความรู้ที่มีกิเลสอยู่นั่นแหลแต่เราไม่ทราบว่าความชินกิเลสเป็นไงได้ยินแต่ครูอาจารย์ท่านว่าความรู้ล้นล้วนเราก็เลยถือว่าความรู้ล้นลวนนั้น ปั้นความรู้ล้วนเสรกแสงล้วนขึ้นมาว่าเป็นพระฐานน้อยองค์หนึ่งนั่นพะื้นไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อแต่ความรู้เด่นทั้งกลางบันกลางคืนนั่นแหละสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่รุ่นหนึ่งจะไปไหนก็เป็นความอะไราเสียดายรู้ว่าความเพียรจะไม่กล้าหนาเหมือนกับอยู่สถานที่เช่นที่นี้นะทาให้มีความรื่นเริงบันเทิง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 แต่เป็นความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแม่จะคิดจะปรุงก็เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอยู่โดยเฉพาะตนเองนี่ก็เป็นสมาธิคือความสงบภายในตัวเองแต่ทํางานเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อแก้ไขถอดถอนที่เหลือได้อยู่อย่างสบายๆนี่เราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันหนึ่งความเป็นความตายความทุกข์ความลำบากตามสัจธรรมนะั้นก็จิตก็ตั้งหน้าต่งตางๆทำโดยไม่ต้อง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 ภัยสำคัญก็คือกิเลสที่เสียบแทง จ, งจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้เป็นภัยอย่างยิ่งภัยอันนี้เป็นภัยเรื้อรังไม่มีเวลาจะหายเลยเลยถ้าไม่มียาธรรมโอสถอันสำคัญเข้าไปแก้จนกระทั่งว่าให้หายขาดไปได้จะไม่มีวันหายจากภัยอันนี้เลยนี่จิตจะต้องเลยพิจรารณาวันคืนปีเดือนเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรสาคัญ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 และตัวกีเจริงๆคืออะไรนี่อยู่ที่ไหนสุดท้ายก็มารวมอยู่ที่ใจนี่แหละเป็นภาชนะของสปรกสิ่งสกปรกโส ม, มมทั้งหลายเหล่านั้นจึงต้องพยายามชะล้างสิ่งเหล่านี้ออกทำอันเป็นคู่ควรแก่ใจยอย่างนี้เข้ามาแทนที่โดยลำดับลำดับขับไล่สิ่งที่สกปรกอันนั้นออกไปด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียร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 คือสร้างปาช้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดเจนในเรื่องปาช้าคความตายให้พิเดสรสร้างให้มันไม่สิ้นไม่สุดให้เราสร้างด้วยปัญญาของเราว่าปาช้าอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่เราเอากาหนดลงให้เห็นชัดเรื่องปาช้ามีอะไรตายจริงๆหรือดูลงไปกลัวกันนักกันหนาในโลกกถากเนี่ยกลัวแต่เรื่องตายใครมาบอกให้กลัว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 ดูธาตุสีดินน้ำลมไฟจะครอบ ย, ยิ่งร่างกายของเรานี่รวมอยู่แล้วในเป็นธาตุสี่ธาตุดินคือส่วนที่แขนแข็งมีในร่างกายนี้ท่านเรียกธาตุดินน้ำเราก็ทราบแล้วว่าน้ำํำอะไรมีอะไรบ้างมีน้ําลายเป็นต้นลมไฟมีอยู่ในนี้อะไรตายเอาแยกออกไปให้เห็นปัจฉาของสิ่งเหล่านี้จริงๆถ้าว่าสิ่งนี้ตายจริงๆแล้วมีปัจฉ่างจริงแล้วดู เ, เวทนาตายแล้วที่เผาศกของเวทนาอยู่ที่ไหน ชัญญาเวลามันดับไปแล้วมีสถานที่เผาันอยู่ที่ไหนสังขารเวลามันดับไปแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนดิญญาณเวลามันตายแล้วสถานที่เผาศพมันอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี ال ่เวลาตายแล้วสถานที่เผาศพจริงมันอยู่ที่ไหนเผาลงไปนั้นมันก็ไปเป็นดินนั่นก็เผาดินเฉยๆนะอแล้วจิตล่ะ สถานที่เผาศพของกิตมีอยู่ที่ไหนไม่มีคนนั้มันเห็นตามความจริงเราอยากคาดเฉยๆที่แรกก็ต้องคาดดูซะก่อนเพราะยังไม่ชำ น, นาญคาดจนเข้าถึงความจริงแล้วความคาดหมายก็หายไปไม่มีอะไรที่จะจริงยิ่งกว่าความจริงไม่มีอะไรที่มีน้ําหนักยิ่งกว่าความจริงลบล้างความจำปลอมได้หมดม น, นี่เราเรียนนิชานี้เราเรียนเพื่อถึงความจริงจริงให้ถึงสถานที่ว่าอะไรตายแน่เมื่อมัน ชาติพานในจิตใจว่าไม่มีอะไรตายนอกจากความสาคัญของกิตที่หลอกตอนมาเป็นเวลานานนี้เท่านั้นแล้วผู้นี้เนะ่ะผู้หลอกแต่ผู้นี้จนะเป็นผู้กลัวแล้วผู้นี้จนะเป็นผู้ทุกข์ถ้าสีดินนลงไปเขาไม่มีความหมายเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ผู้ที่หลอกตนอย่างนี้ลนะ่ะเป็นทุกข์อาจารยนให้รู้ที่เรียอาช่าว่าอ้าวพรมันสลายีลงไปอีกจริงๆแล้วก็มันมันกม็มีป่าช้ามั่นกัน เมันเกิดขึ้นจากใจเป็นความสัมพันธ์อันห น, หนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากพานาจิตเรียนเข้าไปให้ถึงจิตแยกดูธาตุจดินน้ำลมไฟ ป, ปกติก็เป็นธาตุยู่เช่นนี้สลายลงไปก็เป็นไปเป็นธาตุยู่เช่นนั้นจิตเวลาหลงก็เป็นธาตุมโนธาตุอยู่เช่น น, น, ลล น, น, น, นี้เวลารู้ก็เป็นมโนธาตุอยู่เช่นนี้เป็นแต่เพียงว่ารู้ด้วยความบริสุทธิ์ตามหลักธรมาชาติของตอนจริงๆในรู้เลยมีความแปลกความรู้นี้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 พ่อโกหกเรานี่ยง้นเรายังจะทนเชื่อความสัมพันธ์นี้อยู่เหรอนะถ้าปัญญาได้จับลงไปจับลงไปพิจารณาลงไปแล้วถึงตรานี้ก็สลายไปอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรมาหลอกเหลือแต่ความจริงนี่นะเดี๋ยว เ, ยวเรียนวิชาธรรมเรียนเรื่องของเราเรียนอย่างนี้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 ถ้าเราเข้าใจนั่นเป็นเราแล้วก็หลงเชื่อมันอีกเราเราหลอกเรานแล้วเชื่อเราเรื่อยๆไปหาที่ยับยั้งไม่ได้เหมือนกระต่ายตื่นตูม น, นี่ทางก็ตายตื่นตูมก็เป็นคติได้ดีนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรลมพัดมาบ้างอถูกการหล่นลงมาถูกการตานตกโป๊วบางมา เอาลงมาของนั้นก็ตายกับซุดุ้งทั้งหลับโดดวิ่งเลยตัดตัวนั้นถามวิ่งอะไรก็บอกฟ้าถล่มฟ้าถล่มไปไอพวกที่หลงตามมันก็วิ่งไปค้างหักแขนหักก็ไม่ถอยละ ว, วิ่งไปคานไปจน ก, กระทั่งไปถึงพระพญาราชสีพญาราชสีตวากขู่วิ่งอะไรวะก็ ว่าฟาถลม่มใครบอก้าถลม่มแล้วถามหาความจริงจริงฟาถล่มยังไงใครบางคนว่าก็มาจนกรอบที่เจ้ากระต่ายไล่ไปดูไปดูที่ไหนได้มีมัตูงลูกหนึ่งมันหล่นอยู่ตรงนั้นมันถูกก้านตาลหล่นลงมาแม้เช่นนั้นก็พวกสาต์ที่ตื่นหลงตามกระตายเพเจ็บแข่งเจ็บขาข า, ขาหักไปม็มีเยอะเนี่ยกระตาตื่นตูมจะคืออะไรก็คือเราตื่นเรื่องความ แต่ความเจ็บความตายหลงไปเรื่อยๆว่าถึงพระพญาราชสีก็ได้เก็บปัญญาถ้าทิ้งมาทิงพูดเป็นเจ้าของทำก็คือศาสนาผู้สอนทำสอนความจริงลงมาให้พิจารณาทำความจริงนี้สิ่งทั้งหลายที่จอมความชึ่งหลอกกันมาตป็นเวลานานนั้นมันจะหายไปกลุ่มใหม่เอาอย่างนั้นเพราะบรรดาผู้ที่รู้ตามความจริงทั้งหลายเรื่องความหลอกเแบบนี้จะหลอกไม่ได้ทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์ ท่านไม่หลงในเรื่องความเป็นความตายพวกเราเนะั่ยพวกก็ตายตื่นตุมจึงต้องให้เรียนฟังพระพุทธเจ้าเหมือนอยาาา่างพญาราชสีคูบังคับให้กลับขึ้นมาดูต้นเหตุที่ว่าฝ้าเถล่มมันถล่มจริงเลยเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องความตายมันตายจริงเลยเนี่ยนะตูเนี่ยเอาค้นหาอะไรมันมันตายมันจะเห็นตัน้งแต่มะตูมหล่อนอยู่เท่านั้นแหละมะตูมหล่นคืออะไรก็คือความจริงมันอยู่ตามธรรมชาติของมัน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 ควบริสุทธิโดยสิ้นเชิงเรื่องก็ตายเป็นตัวหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอืนั่นแหละพระยาและาศรีหมายถึงปัญญาถ้าหมายถึงของเราโดยเฉพาะก็หมายถึงปัญญาหมาศาสนาก็หมายถึงศาสตร์องศาสดาประกาศสอนโลกเรียนให้มันถึงความจริงเพราะความจริงมีอยู่กับทุกคน ความจอมปลอมก็มีอยู่กับทุกคนจึงได้หลงกันเมื่อเรียนให้เข้าถึงความจริงแล้วไม่หลงทีไรก็อยู่สบายความเป็นความตายก็สักแต่กิริยาที่มันผ่านไปผ่านมาเกิดติดตามสมมุติว่าเกิดอตายเนี่ยมีแต่รวมกันเข้าเป็นส่วนผสมแล้วก็สลายตัวลงไปรวมเข้าสลายลงไปนี้เท่านั้นไม่เห็นมีอะไรแตกยิ่งกว่านั้นไปถ้าใจรู้เสียอันเดียวเท่านั้น รู้ทั้งตัวรู้ทั้งเงาแล้วมันก็มีปัญหาอย่แบบตาบอดทาช่างมันถึงยุ่งนะถกเถียงกันตลอดเวลาภายในตัวเองนั่นแหละถ้าเข้าถึงความจริงแล้วก็ช้างตัวเดียวนั่นแหละพอถึงความจริงแล้วก็มีทำแท่งเดียวภายในใจหายความตื่นโง่กตกใจอะไรเ่งกระตายตื่นตัน ม, มันหมด โลกธาตุจะมีอะไรบัง่งมากมายกายกองขนาดไหนไม่ตื่นไม่เต็มเห็นไปตามความจริงทั้งหมดที่เรียกว่าโล ก, กวิถูเนี่ยท่านรู้แจ้งโลกโลกมันเป็นยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันเป็นสภาพยังไงรู้แจ้งชัดเจนมันหมดโลกวิถูเป็นไปได้ทั้งสาวกเป็นไปด้ทั้งพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้ายังมีพิสดารกว้างขวางมากยิ่งกว่าสาวกอีกมากมายเราก็ให้เป็นโลกวิถูในตัวของเรานี่รู้แจ้งที่จริงในโลกแห่งขันนี้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 เราจะไปหาปรมาณูสุขขังที่ไหนทาจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นมันก็ปรมาณูสุขขังอยู่ในนั้นอันนี้ก็เป็นชื่ออันเนินท่านในชื่อปรมาณูสุขขังเมื่อถึงที่นั่นแล้วจะว่าปรมาณูไย่ปรมังูไม่มีปัญหาอะไรเขาให้รู้เหมือนอย่างเรารับทานอิม่มนำตำลานนะแต่ประกาศด้วยประกาศว่ารับทานอิม่มนั้นนะกดเท้ามันไม่มีปัญหาเพราะรู้อยู่ในธาตุในขันธ์ของตัวเองไง อะไรจะกว้างขวางยงกว่ามหาสมุดมหานิยมซึ่งให้จิตแบบเรียนไหวนี้มากม า, กม า, กายการกองอันนี้แหละกว้างกว่ากว้างที่ตรงนี้ถ้าเรียนตบที่ตรงนี้แล้วก็แคบนิดเดียวไม่ได้แหวกว่าเพราะนั้นเราลเลิกกันกับที่เคยพูดกันว่าป่าช้า <S <S นความเกิดแก่เจ็บตาย บอกปัญหากันแล้มันนะับวันนี้แสดงเป็นคนรู้สึดเหนื่อย <laughs>